9. นวกะนิเทศ 960. บรรดานาวกะมาติกาเหล่านั้นอาคาตวัตถุ9เป็นไนอาคาตวัตถุเก้คือ 1. ความอาคาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้ได้ทําความเสื่อมเสียแก่เรา 2. ความอาคาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้กําลังทําความเสื่อมเสียแก่เรา 3. ความมาคาดเกิดข so ึ้นว่าผ e? ู้นี้จะทำความเสื่อมเสียแก่เรา 4. ความมาคาดเกิดขึ้นว่าผู้นี้ได้ทำความเสื่อมเสียแก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา 5. ความมาคาดเกิดขึ้นว่าผู้นี้กำลังทำความเสื่อมเสียแก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา 6. ความมาคาดเกิดขึ้นว่า ผู้นี้จะทำความเสื่อมเสียแก่คนผู้ที่เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา 7. ความมาคาดเกิดขึ้นว่าผู้นี้ได้ทำประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา 8. ความมาคาดเกิดขึ้นว่าผู้นี้กำลังทำประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา 9. ความมาคาดเกิดขึ้นว่า ผู้นี้จะทำประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราเหล่านี้ชื่อว่าอาคาทวัตถุก้าว961ปุริสสมมละก้าวเป็นไนปุริสสมมละก้าวคือ1โกทะความโกรธ2มักขะความบรบหลูคุณท่าน 3. อิจสาความริษยา 4. มัชริยความตรณี 5. มายาความเจ้าเล่สาเทยะความโ อ, โอ้อวด 7. มุสาวะาการพูดเท็จ 8. ป, ปาปิ ช, ชตาความปรารถนาลามก 9. มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด เหล่านี้ชื่อว่าปุริสสามาลักษ้า962มานะเก้าเป็นฉไนมานะเกคือหนึ่งเป็นผู้เลิศ ก, กว่าเขาถือตัวว่าเลิศ ก, กว่าเขา 2. เป็นผู้เลิศ ก, กว่าเขาถือตัวว่าเสมอเขา 3. เป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว่าด้อยกว่าเขา 4. เป็นผู้เสมอเขา ถือตัวว่าเลิศกว่าเขา 5. เป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าเสมอเขา 6. เป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าด้อยกว่าเขา 7. เป็นผู้ได้ยกว่าเขาถือตัวว่าเลิศกว่าเขา 8. เป็นผู้ได้กว่าเขาถือตัวว่าเสมอเขา 9. เป็นผู้ได้กว่าเขาถือตัวว่าด้อยกว่าเขา เหล่านี้ชื่อว่ามานะ9ก้าตัณหามูลกธรรม9้าเป็นฉไนตัณหามูลกธรรม9คือ 1. เพราะอาศัยตัณหาการแสวงหาจึงเกิดขึ้น 2. เพราะอาศัยการแสวงหาการได้จึงเกิดขึ้น 3. เพราะอาศัยการได้การวินิจฉัยจึงเกิดขึ้น 4. เพราะอาศัยการไม่นิจฉัยฉันทราคะจึงเกิดขึ้น 5. เพราะอาศัยฉันทราคะความหลงไหลจึงเกิดขึ้น 6. เพราะอาศัยความหลงไหลความหวงแหนจึงเกิดขึ้น 7. เพราะอาศัยความหวงแหนความตระณีจึงเกิดขึ้น 8. เพราะอาศัยความตระณีการรักษาจึงเกิดขึ้น 9. เพราะอาศัยการรักษาสภาวธรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลหลายประการคือการถือท่อนไม้การถือสัตตราการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาทการพูดขึ้นมึงกูการพูดสอดเสียดการพูดเท็จจึงเกิดขึ้นเหล่านี้ชื่อว่าตันหาหมูลกธรรม9 964 อินชิตาก้าเป็นฉไนอินชิตาก้าคือหนึ่งความหั่นไหวว่าเรามี 2. ความหมั่นไหวว่าเราเป็น 3. ความหมั่นไหวว่าเราเป็นสิ่งนี้ 4. ความหมั่นไหวว่าเราจะมี 5. ความหมั่นไหวว่าเราจะเป็นสัตว์มีรูป 6. ความมั่นไหวว่าเราจักเป็นสัตว์ไม่มีรูปเ็ความมั่นไหวว่าเราจักเป็นสัตว์มีสัญญาแปดความมั่นไหวว่าเราจักเป็นสัตว์ไม่มีสัญญา 9. ความมั่นไหวว่าเราจักเป็นสัตว์มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่เหล่านี้ชื่อว่าอินชิตะก เก้มันยิตากา้าผันทิตากาะก้าปปันจิตากา้าสังคตะก้าเป็นฉไนสังคตะก้าคือ 1. ความปรุงแต่งว่าเรามี 2. ความปรุงแต่งว่าเราเป็น 3. ความปรุงแต่งว่าเราเป็นสิ่งนี้ 4. ความปรุงแต่งว่าเราจะมีห ความปรุงแต่งว่าเราจักเป็นสัตว์มีรูป 6. ความปรุงแต่งว่าเราจักเป็นสัตว์ไม่มีรูป 7. ความปรุงแต่งว่าเราจักเป็นสัตว์มีสัญญา 8. ความปรุงแต่งว่าเราจักเป็นสัตว์ไม่มีสัญญา 9. ความปรุงแต่งว่าเราจักเป็นสัตว์มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ เหล่านี้ชื่อว่าสังคตะเก้านวกะนิเทศจบสิบทัศกะนิเทศ966บรรดาทัศกะมาติกาเหล่านั้นกิเลสวัตถุสิบเป็นฉะไหนกิเลสวัตถุสิบคือ 1. โลภะความโลภ 2. โทสะความคิดประทุตร้าย 3. โมหะความหลง 4. มานะความถือตัว 5. ทิฏฐิความเห็นผิด 6. วิจิกิจฉาความสงสัย 7. ถีนะความหดหู่ 8. อุทจจะความฟุ้งซ่าน 9. อหิริกะความไม่ระอายบาส 10. อโนต ป, ปะ ความไม่เกรงกลัวบาปเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสวัตถุสิบ967อาคาตวัตถุสิบเป็นฉไนะอาคาตวัตถุสิบคือ 1. ความมาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา 2. ความมคาดเกิดขึ้นว่าผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา 3. ความมาคาดเกิดขึ้นว่าผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา 4. ความมาคาดเกิดขึ้นว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักชอบพอของเรา 5. ความมาคาดเกิดขึ้นว่า ผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ที่เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา 6. ความมาคาดเกิดขึ้นว่าผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา 7. ความมาคาดเกิดขึ้นว่าผู้นี้ได้ทำประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา 8. ความมาคาดเกิดขึ้นว่า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 เก้อกุศลกรรมบท10เป็นชะไหนอกุศลกรรมบท10คือ 1. ปานาติบาศฆาสัตว์ 2. อธินาทานลักรัพย์ 3. กาเมสุมิจฉาจาร์ประพฤติผิดในกรรม 4. มุสาวะพูดเท็จ 5. ปิสุณวาจาพูดสอเสียด 6. ภาุตสวาจาพูดคำหยาบ 7. สัมผัสปลาปะพูดเพอเจอ 8. อภิชาเพ่งเล็งอยากได้ของเขา 9. พยาบาทปองร้ายเขา 10. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอกุศลกรรมบทสิท 969สังโยชนสิบเป็นฉไนสังโยชนสิบคือ 1. กอามราคะสังโยนิกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือกมามราคะ 2. ปฏิฆะสังโยติกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือปฏิฆะ 3. มานะสังโยติกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือมานะ สทิฏฐิสังโยต์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือทิฏฐิ 5. วิจิกิจฉาสังโยต์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือวิจิกิจฉา 6. ศีลับพตปรามาสสังโยต์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือศีลับพตปรามาเจ็วราคะสังโยชต กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือภะวะราคะ 8. อิจฉาสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคืออิจสาเกมัจฉริยสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือมัจฉริยะ 10. อวิชชาสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคืออวิชชา เหล่านี้ชื่อว่าสังโยชน์สิบ9กเจดสมิจฉาตัดสิบเป็นฉะไหนมิจฉาตัดสิบคือ 1. มิจฉาทิฐิเห็นผิดสองมิจฉาสังกปะดำริผิดสมิจฉาวาจาเจรจาผิด 4. มิจฉากรรมันตะกระทำผิด 5. มิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิด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 มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุสิบเป็นฉไนมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุสิบคือ 1. ความเห็นว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผล 2. ความเห็นว่าการบูชาไม่มีผล 3. ความเห็นว่าการเส้นสวงไม่มีผล 4. ความเห็นว่าผลวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วไม่มี 5. ความเห็นว่าโลกนี้ไม่มี 6. ความเห็นว่าโลกหน้าไม่มี 7. ความเห็นว่ามารดาไม่มีคุณ 8. ความเห็นว่าบิดาไม่มีคุณ 9. ความเห็นว่าสัตว์ผู้เป็นโอปาติกะไม่มีสิ 10. ความเห็นว่าสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ รู้ยิ่งเห็นจริงแจ้งประจักษ์ซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ไม่มีในโลกนี้ชื่อว่ามิจฉาทิฐิมีวัตถุสิบเก้อันตักคาหิกะทิฐิมีวัตถุสิบเป็นฉไนะอันตักคาหิกะทิฐิมีวัตถุสิบคือ 1. ความเห็นว่าโลกเที่ยง สความเห็นว่าโลกไม่เที่ยง 3. ความเห็นว่าโลกมีที่สุด 4. ความเห็นว่าโลกไม่มีที่สุด 5. ความเห็นว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน 6. ความเห็นว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกัน 7. ความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก 8. ความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกกาความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มี1ิความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ม่ใช่นี้ชื่อว่าอันตคาหิกะทิฐิมีวัตถุสิบ ขัศกนิเทศจบตันหาวิจาริณนิเทศเจบรรดามาติกานั้นตันหาวิจาริตรสิ 18. อาศัยเบญจขันธ์ภายในเป็นไฉไหนตันหาวิจาริตรสิ8อาศัยเบญจขันธ์ภายในคือหนึ่งตันหาว่าเรามีสอง ตันหาว่าเราเป็นอย่างนี้ 3. ตันหาว่าเราเป็นอย่างนั้น 4. ตันหาว่าเราเป็นโดยประการอื่น 5. ตันหาว่าเราจักเป็น 6. ตันหาว่าเราจักเป็นอย่างนี้ 7. ตันหาว่าเราจักเป็นอย่างนั้น 8. ตันหาว่าเราจักเป็นโดยประการอื่น 9. ตันหาว่าเราเป็นผู้เที่ยง 10. ตันหาว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยง 11. อตันหาว่าเราเพึงเป็น 12. ต, ตันหาว่าเราเพึงเป็นอย่างนี้ 13. ตันหาว่าเราเพึงเป็นอย่างนั้น 14. ตันหาว่าเราเพึงเป็นโดยประการอื่น 15. ้ตันหาว่าเราเพึงเป็นบ้าง 16. ตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้บ้าง17ตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นบ้าง18ตันหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่น974ตันหาว่าเรามีเป็นอย่างไรบุคคลไม่แยกสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณออกจากกันแล้วได้ฉันทบว่าเรามีได้มานะว่าเรามีได้ทิฏฐิว่าเรามีเมื่อสภาวธรรมทั้งสามนั้นมีอยู่สภาวธรรมเครื่องเนินช้าเหล่านี้ก็มีว่าเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นหรือเราเป็นโดประการอื่นก็มีตัณหาว่าเราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างไรตัณหาว่า เราเป็นกษัตริย์หรือเป็นพราหมณ์เป็นแพทย์หรือเป็นสู่เป็นคฤหัส่าหรือเป็นบรรพชิตเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์เป็นพรหมที่มีรูปหรือเป็นพรหมที่ไม่มีรูปเป็นพรหมที่มีสัญญาหรือเป็นพรหมที่ไม่มีสัญญาหรือเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไมิใช่อย่างนี้ตันหาว่า เราเป็นอย่างนี้ก็มีตัณหาว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างไรตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์เราก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันเขาเป็นพราหมณ์เราก็เป็นพราหมณ์เหมือนกันเขาเป็นแพทย์เราก็เป็นแพทย์เหมือนกันเขาเป็นสูตรเราก็เป็นสูตรเหมือนกัน เขาเป็นคฤหัขัดเราก็เป็นคฤหัขัดเหมือนกันเขาเป็นบรรพชิตเราก็เป็นบรรพชิตเหมือนกันเขาเป็นเทวดาเราก็เป็นเทวดาเหมือนกันเขาเป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเขาเป็นพรหมมีรูปเราก็เป็นพรหมมีรูปเหมือนกันเขาเป็นพรหมไม่มีรูปเราก็เป็นพรหมไม่มีรูปเหมือนกัน เขาเป็นพรหมมีสัญญาเราก็เป็นพรหมมีสัญญาเหมือนกันเขาเป็นพรหมไม่มีสัญญาเราก็เป็นพรหมไม่มีสัญญาเหมือนกันหรือว่าเขาเป็นพรหมมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่เราก็เป็นพรหมมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่เหมือนกันอย่างนี้ตันหาว่าเราเป็นอย่างนั้นก็มี ตันหาว่าเราเป็นโดยประการอื่นเป็นอย่างไรตันหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์แต่เราไม่ได้เป็นกษัตริย์เหมือนเขาเขาเป็นพราหมณ์แต่เราไม่ได้เป็นพราหมณ์เหมือนเขาเขาเป็นแพทย์แต่เราไม่ได้เป็นแพทย์เหมือนเขาเขาเป็นสูตรแต่เราไม่ได้เป็นสูตรเหมือนเขาเขาเป็นฤๅษี แต่เราไม่ได้เป็นครหอขัดเหมือนเขาเขาเป็นบรรพชิตแต่เราไม่ได้เป็นบรรพชิตเหมือนเขาเขาเป็นเทวดาแต่เราไม่ได้เป็นเทวดาเหมือนเขาเขาเป็นมนุษย์แต่เราไม่ได้เป็นมนุษย์เหมือนเขาเขาเป็นพรหมีรูปแต่เราไม่ได้เป็นพรหมีรูปเหมือนเขาเขาเป็นพรหมีสัญญาแต่เราไม่ได้เป็นพรหมีสัญญาเหมือนเขา หรือว่าเขาเป็นพรมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แต่เราไม่ได้เป็นพรมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เหมือนเขาอย่างนี้ตันหาว่าเราเป็นโดยประการอื่นก็มีตันหาว่าเราจักเป็นเป็นอย่างไรบุคคลไม่แยกสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณออกจากกันแล้วได้ฉันถ้าว่าเราจักเป็นได้มานะว่าเราจักเป็นได้ทิฏฐิว่าเราจักเป็นเมื่อสภาวธรรมทั้งสามนั้นมีอยู่สภาวธรรมเครื่องเนื่นช้าเหล่านี้ก็มีว่าเราจักเป็นอย่างนี้เราจักเป็นอย่างนั้นหรือว่าเราจักเป็นโดยประการอื่นก็มีตันหาว่า เราจ CA, ักเป็นอย่างนี้เป็นอย่างไรตัณหาว่าเราจักเป็นกษัตริย์หรือจักเป็นพราหมณ์จักเป็นแพทย์หรือจักเป็นสู่จักเป็นเครหัส่าหรือจักเป็นบรรพชิตจักเป็นเทวดาหรือจักเป็นมนุษย์จักเป็นพรหมมีรูปหรือจักเป็นพรหมไม่มีรูปจักเป็นพรหมมีสัญญาหรือจักเป็นพรหมไม่มีสัญญาจักเป็นพรหมมีสัญญาก็ม่ใช่ หรือจักเป็นพรมไม่มีสัญญาก็มิใช่อย่างนี้ตันหาว่าเราจักเป็นอย่างนี้ก็มีตันหาว่าเราจักเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างไรตันหาที่เกิดเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์เราก็จักเป็นกษัตริย์เหมือนกันเขาเป็นพราหมณ์เราก็จักเป็นพราหมณ์เหมือนกัน หรือว่าเขาเป็นพรามีสัญาสญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่เราก็จะเป็นพรามีสัญาสญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่เหมือนกันอย่างนี้ตัณหาว่าเราจะเป็นอย่างนั้นก็มีตัณหาว่าเราจะเป็นโดยประการอื่นเป็นอย่างไรตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์ แต่เราจักไม่เป็นกระตั์เหมือนเขาเขาเป็นพรามแต่เราจักไม่เป็นพรามเหมือนเขาหรือว่าเขาเป็นพรมมีสัญญาก็ไม่ใช่มีสัญญาก็ไม่ใช่แต่เราจักไม่เป็นพรมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เหมือนเขาอย่างนี้ตัญหาว่าเราจักเป็นโดยประการอื่นก็มีตัญหาว่าเราเป็นผู้เที่ยง เป็นอย่างไรบุคคลไม่แยกกับภาวะธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วมีตันหาว่าเราเที่ยงเรายั่งยืนเราคงทนเราไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ตันหาว่าเราเป็นผู้เที่ยงก็มีตันหาว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงเป็นอย่างไร บุคคลไม่จำแนกสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วมีตัณหาว่าเราจะขาดศูนย์จากพินาศจากไม่มีอย่างนี้ตัณหาว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงก็มีตัณหาว่าเราพึงเป็นเป็นอย่างไร บุคคลไม่แยกสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วได้ฉันทว่าเราพึงเป็นได้มานะว่าเราพึงเป็นได้ทิฏฐิว่าเราพึงเป็นเมื่อสภาวธรรมทั้งสามนั้นมีอยู่สภาวธรรมเครื่องเนินช้าเหล่านี้ก็มีว่าเราพึงเป็นอย่างนี้เราพึงเป็นอย่างนั้น หรือว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นก็มีตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างไรตัณหาว่าเราพึงเป็นกษัตริย์หรือเป็นพราหมณ์พึงเป็นแพทย์หรือเป็นสูตรพึงเป็นข้รืหัดหรือเป็นบัญพชิตพึงเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์พึงเป็นพรหมมีรูปหรือเป็นพรหมไม่มีรูป พึงเป็นพรหมมีสัญญาหรือเป็นพรหมไม่มีสัญญาหรือพึงเป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่อย่างนี้ตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ก็มีตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างไรตันหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์เราก็พึงเป็นกษัตริย์เหมือนกัน เขาเป็นพราหมณ์เราก็พึงเป็นพราหมณเหมือนกันหรือว่าเขาเป็นพราหมณ์มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่เราก็พึงเป็นพราหม์มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่เหมือนกันอย่างนี้ตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นก็มีตันหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นเป็นอย่างไรตันหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่า เขาเป็นกษัตริย์แต oh ่เราไม่พ hmm. like ึงเป็นกษัตริย mm ์เหมือนเขาเขาเป็นพราหมณ์แต่เราไม่พึงเป็นพราหมณ์เหมือนเขาหรือว่าเขาเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แต่เราไม่พึงเป็นพราหม์มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เหมือนเขาอย่างนี้ตันหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นก็มี ตันหาว่าเราพึงเป็นบ้างเป็นอย่างไรบุคคลไม่แยกสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วได้ฉันทว่าเราพึงเป็นบ้างได้มานะว่าเราก็พึงเป็นบ้างได้ทิฏฐิว่าเราก็พึงเป็นบ้างเมื่อสภาวธรรมทั้งสามนั้นมีอยู่ สภาวธรรมเครื่องเนื่นช้าเหล่านี้ก็มีว่าเราพึงเป็นอย่างนี้บ้างเราพึงเป็นอย่างนั้นบ้างหรือว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นบ้างก็มีตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้บ้างเป็นอย่างไรตันหาว่าเราพึงเป็นกษัตริย์หรือเป็นพราหมณ์บ้างพึงเป็นแพทย์หรือเป็นสูตรบ้างพึงเป็นครือหัดหรือเป็นบรรพชิตบ้าง พึงเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์บ้างพึงเป็นพรหมมีรูปหรือเป็นพรหมไม่มีรูปบ้างหรือพึงเป็นพรหมมีสัญญาจะพึงเป็นพรหมไม่มีสัญญาบ้างหรือเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่บ้างอย่างนี้ตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้บ้างก็มีตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นบ้าง เป็นอย่างไรตัญหาที่เกิดเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์เราก็พึงเป็นกษัตริย์เหมือนเขาบ้างเขาเป็นพราหมณ์เราก็พึงเป็นพราหมเหมือนเขาบ้างหรือว่าเขาเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เราก็พึงเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เหมือนเขาบ้างอย่างนี้ ตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นบ้างก็มีตันหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นบ้างเป็นอย่างไรตันหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์แต่เราไม่พึงเป็นกษัตริย์เหมือนเขาบ้างเขาเป็นพราหมณ์แต่เราไม่พึงเป็นพราหมณ์เหมือนเขาบ้างหรือว่าเขาเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ แต่เราไม่พึงเป็นพราะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เหมือนเขาบ้างอย่างนี้ตันหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นบ้างก็มีเหล่านี้เรียกว่าตันหาวิจาริตริอาศัยเบญจขันธ์ภายใน97้ตันหาวิจาริตริบอาศัยเบญจขันธ์ภายนอกเป็นฉไน ตัณหาวิจริติบ8อาศัยเบญจขันธ์ภายนอกคือ 1. ตัณหาว่าเราเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 2. ตัณหาว่าเราเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 3. ตัณหาว่าเราเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 4. ตัณหาว่าเราเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ห้าตัณหาว่าเราจะเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้หกตัณหาว่าเราจะเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เจ็ดตัณหาว่าเราจะเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 8. ตันหาว่าเราจะเป็นโดยประการอ <anco> ื่นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 9. ก้ตันหาว่าเราเป็นผู้เที่ยงด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 10. ตันหาว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 11. ตันหาว่าเราพึงเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 12. ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 13. ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยร nes ูปนี้หรือวิญญาณนี้ 14. ตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 15. บห้าตัณหาว่าเราพึงเป็นด้วยรูปนี้บ้างหรือวิญญาณนี้บ้าง 16. ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้บ้างหรือวิญญาณนี้บ้าง17ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้บ้างหรือวิญญาณนี้บ้าง18ตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้บ้างหรือวิญญาณนี้บ้าง976าร้อตัณหาว่าเราเป็นด้วยรูปนี้ เป็นต้นละหรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรบุคคลแยกสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วได้ฉันทว่าเราเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ได้มานะว่าเราเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ได้ทิฏฐิว่าเราเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ เมื่อสภาวธรรมทั้งสามนั้นมีอยู่สภาวธรรมเครื่องเนื่นช้าเหล่านี้ว่าเราเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เราเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้หรือว่าเราเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ก็มีตันหาว่าเราเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้เป็นต้นละหรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไร ตัณหาว่าเราเป็นกษัตริย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นพราหมณ์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นแพทย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นสูตรด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นคฤหัสถ์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นบรรพชิตด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นเทวดา ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นมนุษย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นพรหมมีรูปด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นพรหมไม่มีรูปด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นพรหมมีสัญญาด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นพรหมไม่มีสัญญาด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้หรือเป็นพรหมมีสัญญาก็มีใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้อย่างนี้ตัณหาว่าเราเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ก็มีตัณหาว่าเราเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้เป็นต้นละหรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์ เราก็เป็นกษัตริย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนกันเขาเป็นพรามเราก็เป็นพรามด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนกันหรือว่าเขาเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เราก็เป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนกันอย่างนี้ตัหาว่า เราเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ตันหาว่าเราเป็นด้วยประการอื่นด้วยรูป น, นี้เป็ น, ต, VR นต้นละหรือ <Rock> วิญญาณนี้เป็นอย่างไรตันหาที่เกิดขึ้นพระเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์แต่เราไม่เป็นกษัตริย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาเขาเป็นพราหมณ์แต่เราไม่ไม่ได้เป็นพราหมณ์ด้วยรูปนี้ หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาหรือว่าเขาเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แต่เราไม่ได้เป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาอย่างนี้ตันหาว่าเราเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ก็มีตัหาว่าเราจะ เป็นด้วยรูปนี้เป็นต้นละหรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรบุคคลแยกสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วได้ฉันทะว่าเราจะเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ได้มานะว่าเราจะเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ได้ทิฏฐิว่าเราจะเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ เมื่อสภาวธรรมทั้งสามนั้นมีอยู่สภาวธรรมเครื่องเนื่นช้าเหล่านี้ว่าเราจะเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เราจะเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้หรือว่าเราจะเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ก็มีตัณหาว่าเราจะเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้เป็นต้นละหรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไร ตันหาว่าเราจกเป็นกษะตัดด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จกเป็นพราหมณ์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จกเป็นแพร่ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จักเป็นสูรด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จะเป็นกฤหัสด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จักเป็นบรรพชิตด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ จักเป็นเทวดาด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จกเป็นมนุษย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จักเป็นพรหมมีรูปด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จักเป็นพรหมไม่มีรูปด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จักเป็นพรหมมีสัญญาด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ จักเป็นพรหมไม่มีสัญญาด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้หรือว่าจักเป็นพรหมมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้อย่างนี้ตันหาว่าเราจักเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ก็มีตันหาว่าเราจักเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้เป็นต้นละหรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไร ตัญหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์เราก็จะเป็นกษัตริย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนกันเขาเป็นพรามเราก็จะเป็นพรามด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนกันหรือว่าเขาเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เราก็จะเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน อย่างนี้ตันหาว่าเราจะเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ก็มีตันหาว่าเราจะเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้เป็นต้นละหรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรตันหาเกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์แต่เราจะไม่เป็นกษัตริย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนเขา เขาเป็นพราหมณ์แต่เราจักไม่เป็นพราหมณ์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาหรือว่าเขาเป็นพรหมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แต่เราจักไม่เป็นพรหมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาอย่างนี้ตันหาว่าเราจกเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ก็มี ตันหาว่าเราเป็นผู้เที่ยงด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรบุคคลแยกสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วมีตันหาว่าเราเป็นผู้เที่ยงเราเป็นผู้ยังยืนเราคงทนอยู่ไม่มีความแปรปร่นไปเป็นธรรมดาด้วยรูปนี้ หรือวิญญาณนี้อย่างนี้ตันหาว่าเราเป็นผู้เที่ยงด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ก็มีตันหาว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงด้วยรูปนี้เป็นต้นละหรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรบุคคลแยกสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้ว มีตันหาว่าเราจะขาดศูนย์จากพินาศจะกไม่มีด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้อย่างนี้ตันหาว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ก็มีตันหาว่าเราเพึงเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรบุคคลแยกสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณออกจากกันแล้วได้ฉันทาว่าเราพึงเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ได้มานะว่าเราพึงเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ได้ทิฏฐิว่าเราพึงเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้เป็นต้นละหรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไร ตันหาว่าเราพึงเป็นกษัตริย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้พึงเป็นพราหมณ์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้พึงเป็นแพทย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้พึงเป็นสูตรด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้พึงเป็นกฤะลือหัดด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้พึงเป็นบรรพชิตด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ พึงเป็นเทวดาด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้พึงเป็นมนุษย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้พึงเป็นพรหมมีรูปด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้พึงเป็นพรหมไม่มีรูปด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้พึงเป็นพรหมมีสัญญาด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ หรือว่าพึงเป็นพรหมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้อย่างนี้ตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ก็มีตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรตันหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์ เราก็พึงเป็นกษัตริย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนกันเขาเป็นพราหมณ์เราก็พึงเป็นพราหมณ์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนกันหรือว่าเขาเป็นพรหมมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่เราก็พึงเป็นพรหมมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่เหมือนด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน อย่างนี้ตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ก็มีตันหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้เป็นต้นละหรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรตันหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์แต่เราไม่พึงเป็นกษัตริย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาเขาเป็นพราม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 ตัณหาว่าเราพึงเป็นด้วยรูปนี้เป็นต้นละหรือวิญญาณนี้บ้างเป็นอย่างไรบุคคลแยกสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วได้ฉันทะว่าเราพึงเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างได้มานะว่าเราพึงเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้าง ได้ทิฏฐิว่าเราพึงเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างเมื่อสภาวธรรมทั้งสามนั้นมีอยู่สภาวธรรมเครื่องเนื่อช้าเหล่านี้ว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างหรือว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างก็มี ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้รหรือวิญญาณนี้บ้างเป็นอย่างไรตัณหาว่าเราพึงเป็นกษัตริย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างพึงเป็ น, รปนรรพนราหมณ์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างพึงเป็นแพทย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างพึงเป็นสูตรด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างพึงเป็นคฤหัสด้วยรูปนี้ หรือวิญญาณนี้บ้างพึงเป็นบรรพชิตด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างพึงเป็นเทวดาด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างพึงเป็นมนุษย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างพึงเป็นพรหมีรูปด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างพึงเป็นพรหมีรูปด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้าง พึงเป็นพรหมไม่มีสัญญาด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างพึงเป็นพรหมไม่มีสัญญาด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างพึงเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างอย่างนี้ชื่อว่าตัณหาว่าพึงเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างก็มี ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้เป็นต้นละหรือวิญญาณนี้บ้างเป็นอย่างไรตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์เราก็พึงเป็นกษัตริย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนกันบ้างเขาเป็นพราหมณ์เราก็พึงเป็นพราหมณ์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนกันบ้างหรือว่าเขาเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ เราก็พึงเป็นพรหมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม iin, ่ใ <cualquier> ช right ่ด <39 S 1> ้วยรูป <suppose> นี้ห <OLED> รือว <amiento> ิญญาณนี้เหมือนกันบ้างอย่างนี้ตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างก็มีตันหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้เป็นต้นละหรือวิญญาณนี้บ้างเป็นอย่างไร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 แต่เราไม่พึงเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนขาบ้างอย่างนี้ตัญหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างก็มีเหล่านี้ชื่อว่าตัญหาวิจาริต18อาศัยเบญจขันธ์ภายนอกตัญหาวิจาริต18เหล่านี้อาศัยเบญจขันธ์ภายใน ตันหาวิจาริตรติเหล่านี้อาศัยเบญจขันธ์ภายนอกด้วยประการฉนี้ประมวลย่อเข้าเป็นอันเดียวกันเป็นตันหาวิจาริต36ตันหาวิจาริตตามที่กล่าวมานี้เป็นอดีต36เป็นอนาคต36เป็นปัจจุบัน36ประมวลย่อ เข้าเปน็นอันเดียวกันเป็นตัญหาวิจริตร้อยแปดบรรดามาติกานั้นทิฏฐิ62ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในพรมชาลาสูตรเป็นฉนะันทิฏฐิ62คือ 1. สัสตวาทะวาทะว่าอัตตาและโลกเที่ยงสี่ 2. อเอกจจัสติกะวาฏท ะ, ะวาฏทะวัตตาและโลกเที่ยงบางอย่างสีส่อันตานันติกะวาธท ะ, ะวะัฏทะวัตตาและโลกไม่มีที่สุด4ี่ี่อมาราวิกกะเขปิกะวาธทะวาธทะที่ลี้หลบเลี่ยงไม่แน่นอน4 5 อทิตจะสมุ ป, ปันนิกกวาฏะวาทวาถาวัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัย2 6. สัญญีวัฏทะวัฏถวัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญา16 7. อสัญญีวัฏทะวัฏถวัตตาหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญา8 8 เนวสัญญีนาสัญญีวาท ะ, ะวาทาวาตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่8 9. อุดเฉทวาท ะ, ะวาทาอัตตาหลังจากตายแล้วขาดตูน7 10. ทิฏฐธรรมะนิพพานวาท ะ, ะวาทว่มีสภาพบางอย่างเป็นนิพพานปัจจุบันห ทิฏิ62เหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในพรมชาลาสูตรขุทธะวัตถุวิพังจบบริบูรณ์